เราวๆก่อนาความเป็นมาพอปิดเทอมเนี่ยน้องตาท่านก่อนก่อนปิดเทอมนึกเข้ามาแต่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นที่แตกต่างที่ครูบาอาจารย์เปลี่ยนไปก็คือท่านนิ่งมากท่านนิ่งมากท่านสงบมากพูดน้อยๆตอนนั้นน่ะพูดน้อยๆซึ่งเรารู้สึกว่าครูบาอาจารย์เรา แล้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแล้วก่อนที่ท่านจะกลับท่านไปเยี่ยมตอนท่านไปเยี่ยมท่านบอกว่าปิดเทอมอย่าลืมไปหาลุงตาที่หาพระอาจารย์ที่เชียงใหม่นะท่านพูดอย่างงี้นะพูดเท่านี้นะให้ไปหาที่เชียงใหม่นะปิดเทอมไอ้ด้วยความที่เราเป็นเด็กเป็นเนนน้อยเนี่ยเราก็มีความคิดว่าาไปเชียงใหม่ไปเที่ยวแน่นอนมันเป็นเมืองในฝันไงเมืองในฝัน เป็นเด็กเนี่ยถ้ามาเช่าเชียงใหม่ถ้าไปภูพิงถ้าไปเที่ยวอะไรต่างๆเราจะรู้สึกรู้สึกดีอะนามสก์เด็กๆเราก็ชวนเพื่อนเลยตอนนั้นมีหลวงพวกวกวกว่อพระครูประเสริฐท่านนำมีอตาตมานเนนวิลาพานเนนฤทธ์เนนสมควรมาด้วยกันถูกหลอกมาด้วยกันหลอกคือไม่รู้ว่าจะไปอะไรรู้แต่ว่าจะไปเที่ยว ไปเที่ยวไประคุบาอาจารก็พากันมาพักที่อาสมแพรแสงเทียนในยุคนั้นนะอาสมแพรแสงเทียนวัดแพรแสงเทียนเรามาปุ๊บเราก็ได้ว่าถึงแล้วก็เดินดูเห็นต้นมะม่วงหิวพานเยอะเราก็กินอุตตลดแลวเป็นเนนเดินดูเตาเาทงเราฐานท่านบอกว่ายังไม่ถึงนันเนี่ยไปต่อ กระเข๋าลุดมาขวนไปเหมือนเราเอาเราไปแบบไปแบบซุกไว้ในหุบเขาเลยอ่ะไม่ต้องเจอผู้เจอคนนะ่ะนั่งเข้าไปเข้าไปเราก็นั่งถามวมาเที่ยวยังไงทําไมมันลึกเข้าลึกเข้านะ่ะไม่มีอะไรสวยงามเจริญหนุ่มเจริญตาเลยนะนั่งไปเข้าไปจนถึงวัดวัดต่อยโจนนะวัดถ้ำต่อยโจ น, นยุคนั้นนะ เป็นที่ที่องคงพ่อมาดิเรกคูบาอาจารย์ทั้งหลายนะมาเก็บอารมณ์มาปฏิบัติธรรมเข้มเก็บอารมณ์นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสายนี้มาแตมาเห็นโยมเนี่ยแตมายังรู้สึกชื่นชมโยมนะโยมฟังปุ๊บโยมทํำเลยมาตมาเป็นเดนน้อยอายุสิบห้าปีเนะี่ยมาตมาไม่เห็นเนี่ยแตมาโอ้ยแตมาไม่เอาเลยอะ ยกมือเงี้ยเหมือนฟอ้อนเลยนะเหมือนฟอ้อนลำกันเลยเราไม่เห็นพระทําเราวะนี่เขาทําอะไรกันเราไม่ได้ถูกฝึกมานะคือเราไม่รู้ว่าเราจะเจอชะตากรรมเราอะแต่พอมาเจอเห็นครูบาท ย, ยกมือสร้างจังหวะไม่เอาเลยจิตมไม่เอาเลยเป็นเนรนะถ้าเป็นเด็กเรานิดว่าเราจะมาเที่ยวไงเที่ยว น, น้ําตกเที่ยวดูดอกมองดอกไม้แต่เราต้องมา เห็นคนยกมือสร้างจังหวะก็ทําอะไรกันแล้วเกิดคําถามน ะ, ะยิ่งเดินจงกรมยิ่งแล้วใหญ่เลยเราถูกสอนมาว่าเดินจงกรมเนี่ยต้องเดินช้าๆสําสรวมใช่หมเราเราถูกสอนมาอย่างนั้นถูกกรอกข้อพูนฝังชิปเข้าไปในเจิตเราอย่างนั้นเงี่ยวเลยนะเงี้ยวเลยแต่ด้วยความที่กลับไม่ได้อะ่ะ กลับก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้ไปไหนดีอ่ะเราต้องอยู่แต่การอยู่โดยที่ไรการศึกษาเป็นความทรมานของการการอยู่นะโยมแต่พอเราอยู่เนะี่ยสิ่งแรกที่ทำให้อตมารู้สึกว่าอยากเงี่ยหูฟังอยากลองทำดูคืการฟังเทปหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเทียนพูดภาษาเมืองเลยเอัตามาพูดภาษาพูไทยไปพีเลิกกินเขาก็าเผอ ม, มาเตลเลอยูเซอร์ภาษาเออเหมือนกันเมื่งเลยเหมือนกันเนียเราฟังดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊๋หลวงพอ่อท่านทำไมพูดสําเนียงคล้ายๆบ้านเราเกิดความประทับใจว่าสาเนียงท่านคล้ายๆบ้านหล่ะเราก็เลยลองนั่งฟังดูพอฟังดูเนี่ย เราไปประทับใจตรงที่ท่านบอกว่าถ้าคนไหนมีเงินเดือนเท่าไรจะแจ้างมาอาถ้าทําแล้วเนี่ยอ่าจะคืนเงินให้ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยอ่าถ้าทําเท่านั้นตัว น, นี้ปีความทุกข์เจือแจ้งจนหมดเอาชีวิตเป็นประกันเดิมพันก็บอกโอ้หลวงตาหลวงพ่อนี่ทําไมพูดธรรมะไม่เหมือนคนอื่น ใช่ไเร า, เร า, เ, ราเราฟังนะเราเกิด ค, ความประทับใจแล้วพอเราได้ฟังครูบายอาจารย์แต่ละท่านรายงานอารมณ์ตอนเย็นตอนเย็นทุกเทุกย็นนะ่ะเราจะรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยพักแต่ละรูปทำไมพูดมันอย่างเลยพูดอร่อยบอกว่าความคิดเป็นยังไงก็แล้ฟังเราบอกว่าอมจริงใจดีความรู้สึกท่านจริงใจดี นั่นคือจุดเริ่มต้นของความชอบหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มปฏิบัติเป็นนีนแล้วประสบการณ์เป็นไงบ้าแต่ทําปุ๊บพอไปถึงง่วงพอไปถึงเบื่อแต่มาก็เลิกน่ะไงเลิกทำเลิกทำทำไปยกมือสัว่าพอถึงเบื่อเลิกพอถึงง่วงเลิกพอถึงเซ็งเลิกตอนนั้นหลวงตาองค์หลวงตาสุยาท่านเก็บอารมณ์อยู่บนเนิน แตู่บนเนินอาตมาก็อยู่ข้างล่างเป็นเนินน้อยเป็นลูกศิษย์ไม่เจอครูบาอาจารย์สักทีพระเรียกเรามาไม่เห็นมาเราสักทีจะถึงท่านเก็บอารมณ์อาตมาทําทําเล่นเล่นทำทำเล่นทำทำหลับหลับนอนนอนอยู่น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะตามแล้วกันนะพระท่านก็เดินบ่านมาเห็นเนินน้อยนั่งหลับนอนหลับ ท่านก็ปกบ้างท่านก็หาอะไรมาเรื่องบ้างอามส า, ศ า, ศาศเด็กๆที่ท่านเอ็นดูอนะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอาตมาอายมากนะมีโน้ตสั้นๆเขียนสองสามประโยคเป็นโน้ตที่เขียนจากโปร ง, รงตาสุ ย, ยาท่านลงมาหาไม่ได้ไงท่านเลยเขียนโน้ตสั้นๆมาว่า ถ้าเนนไม่ตั้งใจแม้แต่คําว่าอดทนเนนก็จะไม่รู้จักเราอ่านนะถ้าเนนไม่ตั้งใจแม้แต่คําว่าอดทนก็จะไม่รู้จักเราอ่านนะเราอ่านเร้อง น, น้ำตาไลเนะน้ำต า, ตาตกในเลยว่าคุณบาอาจารย์รักเรามากนะรักเรามาถึงส่งโน้ตอันศักดิ์สิทธิ์อาตมาถือว่าเป็น น้ตเปลี่ยนชีวิตหลังจากนั้นเป็นต้นหมาก็ตั้งใจทําพอทําเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งขึ้นมาอยู่บนขอนไม้ครูบาอาจารย์นะว่าให้เอาชีวิตเป็นเดิมพันตายเป็นตายเราเป็นเด็กเป็นเนรไม่คิดอะไรมากตายเป็นตายตายยังไงเราต้องขึ้นสูยที่สูงแต่มาก็มีอยู่ที่เดินโยกโคงทํ า, ม, า ม, มีขอนไม้อยู่นหนึ่งขอนไม้เป็นตอไม้นะ ต่อไม้นั่งได้จะประมาณข้นนั่งได้นั่นแหละนั่งได้ถ้าไม่ระวังกูก็ตกตตอะอาตมาตั้งจิตอธิษฐานว่าอาตมาจะนั่งบนตอไม้เนี่ยเจริญสติจนกระทั่งว่าสามารถทะลุความง่วงทะลุอะไรต่างๆในใจตัเองตั้งตั้งจิตอธิษฐานแบบนั้กก็นั่งพอนั่งทําไปนั่งทําไปทํานานนะมันก็ง่วงอยู่บนตอ น, นั่นแหละ แล้วก็เซงอยู่บทต่อนะแต่ไม่ลบไปไหนไม่ไปไหนเพราะอะเพราะเราตั้งจิตอธิษฐานกติธว่าเราจะอยู่ตรงนั้นพอเราทําไปทําไปเรื่อยๆจนถึงจุ ด, จ, ดจุดหนึ่งมันเกิดบางอย่างในใจตัวเองนะทำไปแล้วในขณะที่ง่วงจัดในขณะที่ทุกอย่างประเดประดังจัดแต่เราไม่ละทิ้งความรู้สึกตัวไม่ละทิ้งการกําหนดรู้เนะี่ย กําหนดกําหนดมันเกิดความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนมีเท้าเนี่ยมาถีบเรามันเท้ามาถีบเราเนะเหมือนคนมาลุมถีบเราเนี่ยปลากรวัดหล่นลงไปพื้นเนีหล่นจากต่อลงไปเหมือนถูกทีบอะ่ะหล่นลงไปเนี่ยในขณะที่เราหล่นลงไปเนี่ยเราก็ประคองให้ ดีที่สุดแนตะหล่นปุ๊กลงไปเนะี่ยแต่แปลกมันเป็นการหล่นลงไปที่แปลกเราไม่รู้สึกเจ็บแต่กับมีบางอย่างก็คื อ, คอมันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างในะจะมันเกิดความลุกโพลงขึ้นแล้วเราก็ลุกขึ้นนั่งต่อแล้วก็นั่งยกมือต่อเดี๋ยวภาพลักษณ์ไม่ดีต้องนั่งต่อนั่งลุก มันเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกเกิดขึ้นในจิตเหรอจากมือที่เคยรู้ๆให้หายรู้ๆให้หายเนี่ยมันมันเป็นแบบไหลไปเลยนะไหลเป็นต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยแล้วพี่ก็รู้ยกก็รู้เราก็เอาเอาลองลุกหัวดูเอ๊ะทาไมวันนี้หัวเรามันดูแบบสถานสะเทือนเลื่อนเล่นในหัวเนี่ย ไม่ว่าจะเหยียบย่างก้าวยางตัดมันเกิดความรู้สึกรู้สึกดีเรารู้สึกดีกับสิ่งสิ่งนั้นซึ่งเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่านี่คือความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องปรากฏชัดแต่เรารู้สึกดีมากหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ต้องมีใครบอกเราทําเองเลยทําเองโดยมีหลวงตาทั้งหลายเนี่ย ที่เป็นครบาชาจาตมาเนะี่ยคอยทุบคอยตีอยู่ตลอดลุงตากรสินลงตาบุญเหลื อ, อคอยทุบจยดเอ้าเน่นทำโน่นเอ้าเน่นทำนี่ทำตลอดแต่แปลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลง เ, เรารู้สึกสนุกศรัทธารักอันนี้คือจดเริ่มต้นเล่าให้ฟังแต่ทีนี้เวลาโยมจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีที่มีมรรค วันนี้ผานในเป็นที่พึ่งหน้าเนโะยมต้องมีหลักโยมต้องมีหลักเมื่อกี้พูดถึงจุดเริ่มต้นทีนี้จะพูดถึงว่าหลักในการภาวนาทํำยังไงมันถึงจะก้าวหน้าปัญหาของคนภาวนาคือพอทําแล้วถึงจุดจุดหนึ่งนะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ไปหน้ามาหลังใช่ไหมทามาปีสิบปีสิบกว่าปีก่อแล้วยังงงงหรือเ ด, ด า, ดาอยู่ยัง ทะเลาบาแว่งยังโกรธยังอะไเอ๊ะทำไมใจเราเป็นอย่างไ น, นเพราะอะไรเพราะเราไรหลักพ่อะเราขาดวิธีไรหลักขาดวิธีเนี่ยสิ่งดีๆทั้งหลายต่างๆมันจะเวียนวนอยู่ประมาณเดิมมันจะไม่ทะลุแต่ถ้าเรามีหลักแล้วก็มีวิธีในการที่จะกำหนดรู้ก้าวย่างไปเนี่ย มันจะมีประตูช่องหนึ่งให้เราออกหรือมีช่องช่องหนึ่งให้เราทะลุผ่านไปมันเหมือนกับเราพอเราปฏิบัติทําไปเรื่อยเนี่ยด้วยความที่ธรรมาจะเป็นคนช่างสังเกตธรรมะไม่ได้ทําเอาเป็นเอาตายอะไรมากนะแต่จะทำและจะสังเกตไปด้วยสังเกตไปด้วยหลักการในการภาวนาแล้วทาให้ ต, ตัวเองเติบโตทางจิตวิญญาณมีสติปัญญาในการเป็นที่พึ่ง มีปรัชนาปเป็ น, นี้พึ่งน่ยมีอยู่สองหลักเอาสั้นๆหนึ่งกัลยาณมิตรภาวะของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรจะมีอยู่สองลักษณะหนึ่งคือกัลยาณมิตรภายนอกสองกัลยาณมิตรภายในกัยร น, นอกคือบุคคลสถานที่อาหารทำกัลยาณมิตรเหล่านี้จะคอยหล่อเลี้ยงเราอาตมาโชคดีคืออ่อาตมาเป็นเนรแล้ว ผู้บาอาจารย์ลวงตาทั้งหลายไม่ทิ้งอาตมาไม่ทิ้งอยู่แพร่แสงเทียนหลวงตากระสินก็พาไปต่อท่อพาไปขุดอ่างน้ําพาไปขุดสระน้ําอยู่นะทําอยู่อหลวงตาบนเหลือตอนพาไปอยู่วัดป่าสมุทรใหม่ใหม่พาไปเ อ, อตักน้ําเทใส่ตุม่มตักน้ํำไม่ พ, าาพัก คือด้วยความเมตตาของผู้ปาชญ์ที่เล่อเลี้ยงเราเนี่ยตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยมันทำให้เราสำรวมแตให้เราสำรวมพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าโยมทำแบบทาแบบดุ้นดุ้นทำแบบแบบส่งส่งไปเนี่ยมันจะส่งโยมไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าโยมทำด้วยภาวะที่เป็นโอปะนะยิโกธรรมคือน้อมทุกอย่างน้อมมาหมดเลยนะ ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจกระทบอะไรน้อมกลับมาที่จิตหมดหูตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกโดนกลิ่นรินริมลดอารมณ์แรงต่างที่มากระทบเนี่ยถ้าโยมวิ่งออกไปจับไปดูเนี่ยถ้าภาวะของความรู้สึกตัวไม่มีกําลังมากพอนะี่ยโยมจะหลุดเข้าไปในมันโยมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ที่เป็นความปรุงแต่ง แต่เป็นความปรุงแต่งที่ยงรู้สึกโอเคกับมันแต่ยงจะไม่เห็นแต่ถ้าภาวะของกิริยามิตรภายนอกที่เราน้อมมาเอ๊ะครูบาอาจารย์ถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยอยายบาอาจารย์นะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่นจัดอายคนนะว่าลูกศิษย์ไม่ได้เลือกเนี่ยเอ๊ะอาหารจะโยมก็มาถวายดีอยู่นะถ้าเราไม่ตั้งใจภาวนาเนี่ยอายโยมนะ ภาวะของการบอกตัวเองแล้วน้อมกลับมาเป็นโอปานียโกธรรมน่ะมันจะคอยตะล่มแล้วก็ปัดสิ่งที่มันเกินความจำเป็นในการกำหนดรู้ออกไปจิตมันจะมีความน้อมเฝ้าระวังแล้วมันตรวจสอบว่าองค์ประกอบที่เกิดขึ้นเหตุที่เกิดขึ้นปัจจัยที่ตามมาของ การทํางานระหว่างอยายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกเลี้ยงกายใหรูปเสียงจิตรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยมันทํางานอย่างไงมันมีนกลไกอย่างไงมันจะเกิดการวิจัยขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อเราเกิดโอปนิยต์โอธรรมที่เป็นธรรมที่เกิดจากการจัดระเบียบของความเป็นแกรมิตรทั้งภายนอกและภายในให้กับจิตตนทีนี้พอเรามีภาวะของความเป็นมิตรกับการ การรรู้การดูการเห็นปุ๊บเนี่ยบางทีผู้ปฏิบัติธรรมบางคนจะเป็นลักษณะทําแบบทําแบบเอากําลังเข้าข่ารอกยมเป็นไหมมั่วงก็กําลังเข้าข่าเลยอ่าตมาเป็นอาตมาเคยเป็นเนี่ยอาตมาคิดว่าอะไรก็ตามถ้าเราลุยตะลุกปุ๊กเนี่ยมันจะผ่าน ก็จะผากเหมือนที่ อ, องลุตาคาสินนสมองอย่างตอตะมาแกงง่วงเนี่ยตะมาก็แกงง่วมแบบตรงๆกับป๋องน้ําเนี่ยไว้คนบางที่ก็ไปทําให้ลาวลาวใหญ่ๆไว้ เ, เดินไปมันง่วงตะมาก็เอาหัวที่จุ่มลงไปไม่ได้จุ่มแล้วขึ้นนะจุ่มลงไปให้น้ํามันเข้า กระสูดนะนก็กระเพาะแสบหัวแสบหน้าแสบตามันก็ตื่นแต่พอหัาานหลังกลับมันก็ง่วงอีกนะ <c oughs> ใช่ไหมหันหลังกลับมันก็ง่วองอีกอะทมก็จม่มไปจุมจนน้ําจะหมดวัดที่แล้วยังไม่หายง่วงเลยมดแดงเนี่ยธรรมาเอามากินหมดละมดแดงบางทีก็นั่งยกมือไปด้วเอามือยัเข้าหลังมดแดงเลยจ้าไปกลับไปครูจะยกมือเนี่ย มันก็มันก็เจ็บนะมันเจ็บนะเนก็เยบไปบางทีก็มดแดงมาใส่ล้วก็ยกมือไปมดก็กัดล่เออเราก็ทานะเราพริกเพลิก อ, อะไรแต่มากินหมดแหละแต่ว่าปัญญามีเท่านั้นอะ่ะไอ้รหมปัญญาเรามีเท่านั้นเราคิดว่ามันเผ็ดเนี่ยมันน่าจะหายง่วงอะ่ะเออกินเข้าไปมันก็หายง่วงจริงนะแต่มันไม่มีอารมณ์ปฏิบัติต่อเลย มันเผ็ดอย่างเดียวเลยเอ๊ะเผ็ดไม่มใช่เผ็ดธรรมดาเอ๊ะเผ็ดทีนี้ทํำไรก็เข้าครัวทีนี้ยหาเครื่องหาน้ำตาลมากินต่อมันก็ยาวเป็นหนังชีวิตไปต่อโยมเอาไปใช้ได้ไม่ส่งวนลิขสิทธิ์แต่มาทํามาแล้วได้ผลนิดหน่อยทุงปานกางแต่ที่เหลือคือทุกทางั้นทีนี้พอเราทําไปเนี่ยเราไม่ฉลาดเนี่ย โยมต้องเพิ่มจากภาวะที่โยมรักตัวเองเคารพครูบาจารย์เคารพธรรมเคารพสิ่งแวดล้อมโยมต้องเพิ่มภาษาพริวะ่าโยนิโสมณิสิการโยนิโสมณิสิการถ้าแปลภาษาบ้านเราก็คือตรวจสอบใส่ใจต้นต่อจุดกำเนิดของจุดเริ่มต้นและกลไกลของการทำ ง, งานของสิ่งสิ่งที่เกิดการกระทบกัน เช่นเวลาตาโยมเห็นรูปถ้าบางคนดูเฉยๆก็จะยกมือรู้สึกตัวเอาไปฆ่ามันดับมันตัดมันใช่ไห ม, มแต่ถ้าเราทำแบบซื่อๆตรงๆโดยทำจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการสลายเจือจางแล้วก็ดับไปได้แต่ปัญหาคือเวลาเราทำปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ในขณะที่คุณภาวนาปฏิบัติทำใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระ ม, มัดระวังในขณะที่คุณภาวนามีอยู่สามอย่างให้หลักการไปด้วยหนึ่งเวลาเราภาวนาเราต้องระ ม, มัดระวังก็คือความปรารถนาความปรารถนาในในใจตนนัน้คือความอยากความอยากให้มันหายความอยากให้มันรู้แจ้งความอยากหมดทุกเนี่ยเวลาเราทําเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันจะผุดขึ้นมาในจิตเราจิตเราจะไม่ซื่ อ, อตรงแต่จิตเราจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกปรารถนาความอยากแก่ยกมนั่งอยนประโยม์วางใจไม่ถูกเนะี่ยนี่แต่อยากกับอยากเออความอยากในภาพลักษณ์ของผู้แสวงหาสัจจนะเน่มันละเอียดอ่อนมาก โยมเดินโยคมนี่ท่านิ่งทา่งทาสวยนะเนี่ยเวลาคนมองเลื่อมใสศรัทธาเราไปมาไปชมเราชมเราชมไปชมมาเกิด อ, อัตตาตัวตนทีท่ถีมานะเพิ่มก็มีนะปฏิบัติทามาสิบปียี่สิบปีมันจมไม่ลงอ่ะโ ง, ง่ไม่ได้มันจมไม่ลงมโ ง, ง่เราจึงกลายเป็นคนที่อยู่ด้วยการโกหกตัวเอง โกหกตัวเองโกหกคนอื่นเพื่อให้คนอื่นยอมรับในภาพลักษณ์ที่มันปรากฏขึ้นในชีวิตเราอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสารมากแต่ถ้าเราจเจริญสติกําหนดรู้ทีที ท, ทีเข้าในขณะกําหนดรู้ที ท, ทีเข้ายมต้องมีความแยบคาในการกําหนดรู้ด้วยอย่างคําสอนของหลวงพ่อแมาที่เรกเราอะไรนะจริงจัง ตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องสีข้อเนี้ยนะ่ะต้องไปด้วยกันเอแต่มาเพิ่มให้ข้อหนึ่งผ่อนคลายด้วยให้ผ่อนคลายด้วยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราจริงจังตั้งใจมากแต่ใจของเราเนี่ยไม่รู้สึกผ่อนคลายกับการกาหนดรู้เนี่ยยมจะมีความรู้สึกว่า บุกเพื่อประหัตประหารกิเลสตรงนั้นให้มันดับไปเลยแต่มันจะหนักมากแต่ถ้าเราจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องแล้วรู้สึกค่อนคายกับมันเนี่ยไม่ว่าสภาวะอารมณ์แรงต่างเกิดขึ้นน่ยโยมจะรู้สึกสนุกกับการดูมันเบื่อเขามีความสุขแต่ก่อนน้นี้ครูบาอาจารย์ว่าว่าขยันก็ทำเบือเ่อก็ทามาเป็นเนนนะมันจะ ทำได้ยังไงมันเบื่อเนาะมันเบื่อขยันก็ทําเบื่อก็ทํามันทําไม่ได้มันทําได้เฉพาะตอนตอนเราได้สภาวะได้อารมณ์แต่พอมันเบื่อเนี่ยเราไม่เอาไม่เอาแต่มาอยู่บนพวกเขาทํำลอยตนวเนาะอยู่บนพวกเขาเวลามันเบื่อเนี่ยกิเลสมันก็ฉลาดะนะมีถังน้ําเนี่ยถัง น, นยนงน้ํำแหมเป็นถังเลยครัแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นถัง แต่ตมาก็ฉลาดกิเลสในใจเขาฉลาดอยู่นะถ้าไม่ทันมันตมาก็ใช้วิธีเอ้เราง่วงนอนเนาะเอาถัางน้ํามาแล้วก็เทใส่หัวนะ่ะเทใส่หัวนะ่ะถ้าเทลงเนี่ยมันน้อยเราก็เทมนันเยอะอะเทมนันเยอะเพื่ออะไรให้มันหมดถัง <laughs> เออมันฉลาดนะกิเลสเนะี่ยให้มันหมดถังเพื่ออะไรเพื่อจะได้แบกถังลงไปที่ตีนผู้เขา่ะแบกลงไป แหมลงไปทํำไรต่อก๊อกน้ํำดื่มเปิดทีเดียวมันก็เต็มถังแล้วแต่มาไม่เปิดทีเดียวแต่มานก็มันหยดลงค่อยๆหยดลงแต่ทำไมก็นั่งสร้างจังหวะหน้าก๊อกก็ละ่ะสร้างไปสร้างไปแต่ในใจขเขาเลยมีความว่ากูจะอยู่ตรงกร๊อกน้ํานี้นานๆจะอยู่ก๊อกน้ํานี้นานๆไม่ให้มันเต็มสักที พอมันเต็มก็เทออกอีกล้างหน้าไปให้มันเหลือเครื่องต่งแล้วก็เปิดเพื่ออะไรเพื่อจะได้อยู่ตรงกลอกนี่นะเราคิดว่าเราจะฆ่าเวลาให้มันหมดวันไปความคิดนะแบกขึ้นไปได้ยินเสียงอีควายวัวที่เขาไปเลี้ยงนะั้นมีกระดิ่งนะตีใจยังแก่ถูกหยวยตั้งวันที่หนึ่งสัญญาณบ่งบอกว่าจะตีละคพักแล้ว เวลาเราทํานยมใหม่ๆกิเลสมันจะหยับๆแต่เวลาเราทําไปเรื่อยๆกิเลสมันจะไล่เหยียดแล้วกิเลสจะไม่มาในภาพลักษณ์ของความรู้สึกอิดอัดขัดเคืองแต่เขาจะมาในภาพลักษณ์ของความรู้สึกดีๆมันเคลือบฉจดเราไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ คือความปรารถนาที่อยากพ้นทุกอยากดับทุกอยากหมดทุกเนี่ยให้เราต้องระมัดระวังแต่ให้กลับมารู้สึกตัวซื่อๆตรงๆจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องยอมทําได้ไหมสีข่ข้อแล้วให้ผ่อนหายด้วยแต่ต่มาก็ทําแบบนั้นนะทําแบบนั้นต่อมาก็ชอบศึกษาต่อมาในี่ว่างๆกลับไปวัดเนี่ยใครดังอะ่ะในสายงานหลวงพ่อเทียนน่ยใครดังในความรู้สึกเรานะ หลวงพ่อคำเขียนหลวงปู่จัดลันหลวงพ่อเทียนลงหลวงพ่อหมาดิเลกครูบาอาจารย์น่นนี่ที่ฟังตะบัดไปซื้อมาฟังหมดแล้วใครมีภาพซีดีตะมัดซื้อมาเปิดหมดแล้วดูแล้วดูเปิดดูเห็นหลวงพ่อเทียนสอนชาวต่างประเทศเรื่องคำผนังเอามันมืดนะนี่มันมืด เอาค้ำไปเอาเจอประตูแล้วเอาพักหากออกเอาออกมายืนดูมองเข้าไปนี่ความรู้ที่เรามีเหมือนอยู่ในถ้ำแต่ความรู้สึกตัวที่เกิดปัญญาเหมือนอยู่นอกถ้ำเราเก็บอะไรทีนึงเก็ฟังหลวงปู่คำเขียนไม่เป็นอะไรกับอะไร ไม่เป็นครับลูกปูคำเขียนดูท่านก็ไม่ได้เอาเป็นเอาตายอะไรมากเจอที่ท่านไปกราบท่านที่โรงพยาบาลจุฬาท่านเป็นมะเร็งตา น, นักแต่มาเป็นเป็นผ้าหนุน่มยังไปเฝ้าหลวงตาไปเฝ้าหลวงตาสุยาท่านไม่สบายเข้าไปในห้องเห็นท่านนอนกดิขาอยู่งุงยิ่งงุ้งยิ่งกติขาอยู่เออแด้เอาผ้ า, า, าปิด ห้องตาก็พาเข้าไปกราบโอ้ยคุณสุริยาขอบคุณที่มาเยี่ยมนะขอบคุณพระพุทธศาสนาฝากไว้กับคุณรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่นะผมแก่แล้วผมหมดแล้วทั้งบอกก็นอนกระดิกขางุงิงงุงยิงอยู่ไปเจอท่านที่วัดป่าสมณะท่านนั่งเคาะมือเล่นปังเป๊กปังเป๊กปังเป๊กอยู่ อาตมาเป็นนักศึกษาไงพั่งเฝ้าสังเกตเราเขียนหนังสือได้วยเรเฝ้าสังเกตว่าเ อ, อ๊ะทำไมครูบาอาจารย์แต่ละรูปเนะี่ยลักษณะวิธีการวิธีแตงต่างทั้งแตกต่างกันถ้ามันมีคําตอบที่เดียวกันเราก็มาลองทำดูตรวจสอบทำวิจัยดูตรวจสอบทํำจริงจังตั้งใจต่อเนื่องตกต้องอาตมาเพิ่มผ่อนคลายเข้าไป ผ่อนกายของอาตมานี่คือระดับขังตัวเองนะผ่อนกายตมานะ่ะเออขังไปเลยผ่อนกายให้ได้ถ้าผ่อนกายไม่ได้ห้ามออกผ่อนกายเออเวลาทำเนี่ยน้องตาท่านจะบอกเท่านอย่ว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยพอมันถึงตรงนั้นปุ๊บคนสว่วนมากเขาได้ยินเสียงระคังจะหยุด แต่ลวงตาครูบาจารย์นว่าไม่ให้หยุดให้ดูสภาวะหลังละคังดังโยมเคยดูไหมหมายความว่าเวลาโยมปฏิบัติธรรมไปเนะเวลาปรากฏการอะไรเกิดขึ้นในจิตเนะี่ถ้าโยมไปรู้เข้าไปอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นปั๊บน่โยมจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลัง เสียงรักขังที่ดังขึ้นมาเพรว่าสิ่งที่มันดังขึ้นกับการกระทบกันระหว่างกายกับจิตรูปกับนามเนะี่ยเราจะไม่เห็นปรากฏการณ์ที่สามที่เรียกว่าปัญญาใหม่ปัญญาใหม่ปัญญาญานความเข้าใจการอย่างรู้รต่างๆที่เราเรียกอะไรคําต่างๆก็ตาเราจะไม่เห็นเพราะอะไรเพราะความละเอียดของเรามันหายไปไม่มี ฉะนั้นพระพุทธจบว่าเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญสติไปเรื่อยๆปุ๊บต้องระมัดระวังก็คือความปรารถนาความอยากลึกๆที่จากแปลสภาพเป็นความอยากบรรลุธรรมอยากเข้าใจสัจจะเราต้องระมัดระวังสองความเห็นต้องระวังนักภาวนาในเวลาปฏิบัติธรรมไปมันจะเกิดภาวะหนึ่ง เรียกว่าวิภาควิจารณวิจารธรรมอัตามาไปอยู่แพรแสงเทียนตอนนั้นเป็นเนนนะตอนนั้นเป็นเนนอยู่กับโคบาอาจารย์บางช่วงโคบ า, ายหลงพรา่าท่าไม่อยู่ก็อยู่กับอ่หลวงตาเกษมหลวงตาบุญเหลือหลวงตาศรานะอยู่ตั้งให้เก็บอารมณ์มีอยู่ช่วงหนึ่งปฏิบัติธรรมมาแล้วในหัวเราเนี่ยมันเหมือนมันหัวมันลั่ว โอ้ยไม่รู้เลยเข้ามาเต็มไปหมดในหัวนะปฏิบัติทำไหมมันเหมือนกับเจอตาน้ำอะไรบางอย่างในหัวในใจเราวนะยโยมรู้สึกตัวไปเรื่อยเรืเร่ถึงจุดจดหนึ่งปุ๊บเนะี่ยมันจะเกิดการทะลุพอเกิดการทะลุปุ๊บเนะี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านจะสอนว่าลองดูซิว่าถ้างวกถ้าหายงวกเป็นอะไร ถ้าเบื่อหายเบื่อเป็นอะไรหายคิดถึงเป็นอะไรตมาก็มีหลักนะตมาจ้อมวิจัยทํำงงๆแต่เรียนรู้อย่างฉลาดทําทําทําไปพอทําไปถึงจุดๆหนึ่งสติของเรามันทะลุมันทะลุทะลุทะ ล, ล, ลุเป็นป่องๆไปนะโอ้ยมันมองย่าขายังกัดย่าจมมาฟังเทศมองย่าขาที่อยู่ข้างๆ ต้นมะม่วงหมาพานนะเดินจะกรมไม่ได้เลยล่ะได้ติดเทศทเนี้ยเททั้งวันเทศทั้งคืนเทศจนเมาอ่ะเมาคําเทศเองไม่รู้ว่าเราคำเทศมาจากไหนเมาใช่ไงล่ะจนบางทีต้องได้อมเป็นไหมเมาคําเทศเมาปัญญาเมาความคิดบางทีได้ใส่หไม่รู้ปวดแบบอย่งให้มันหายอ่ะ อย่างั้นไปมันเกิดความรู้ขึ้นแต่ความรู้เกิมันก็ไปติดอีกนะมันไปติดอีกแล้วพอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยโยมต้องระวังคือพอเราหลุดจากความปรารถนาของตัวเองไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีความเห็นทิฏิความเห็นนี้ถ้าโยมไม่มีสติกรรมกับรู้เนี่ยความเห็นของเราจะเหมือนถูกแต่มันจะผิดกลายเป็น ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคัละเอียดไปไม่ใช่ดีนะเนี่ยชุดขาปฏิบัติธรรมนะ เ, เดินเข้าตลาดนะเอถ้าคนไม่เคารพเนี่ยบางทีเ ป, นะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เออไม่ว่ากูริเป็นพระก็บิณชีเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยเข้าเซเว่นต้องให้เข้าก่อนอดอกคิวก่อนให้เกียรติสิผู้ปฏิบัติธรรมเข้าห้องน้ําเี้ย ยังกะจะให้นั่งพระเพียบเหรออืออือคือความคิดความเห็นเมื่อเราภาวนาไปเราเกิดความรู้ขึ้นเนี่ยบางทีมันมันหลุดจักความอยากที่เราไปแต่มันจะแปล ร, รูปกลายเป็นความเห็นที่เราเห็นว่ามันดีเห็นว่ามันเป็นโน่นนั่นนี่เกิดปัญญาใหม่ที่เป็นปัญญาใหม่ที่ถูกเคลือบด้วย ทิฏฐีที่เป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิมิจฉาสติด้วยนะอนะ่เหมือนโจรเนี่ยโยมโจรเนี่ยไปขโมยของเนะ่ะโห้เขามีความเพียรมากนะสำ ม, มาวายามะความเพียรนนะทำการตลาดไปดูตรวจสอบขึ้นไปอยู่บนหลังคาดูเจ้าของบ้านเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนมันเพียรมากเลยนะไอโจรเนนะ่ะใช่ไหมโอ้ยดู หลังคาแผ่นไหนไปเหยียบแล้วมันแตกนอดตัวไหนมันหลวมเนี่ยโจรมันเพียเพ้ยนมากเพี้ยนมากใจของเราก็เหมือนกันพอเราภาวนาไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเนี่ยไอภาวะของความเห็นมันจะปรากฏแล้วมันจะเริ่มเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองตอนอยู่วัดยังกับพระอรหันต์เป็นจงกรมภาวนาโอ้ยเหมือนไม่ทุกข์เลย แต่พอกลับบ้านยังองคุริมาลงสิงอ่ะฝาดฟันค่าทุกอย่างที่ขวางหน้าโลกหลานตากเสื้อตากผ้าไม่ได้ตากไม่บน่นแต่จิตมันบ่นเรือเกินยอมเป็นไหมอ่าสามีทำไม่ถูกใจด่าชี้ไม้ไว้ปวงเลยในจิตนะแต่พูดไม่ออกนะพูดไม่ได้ คือจิตของเราในเวลาเราทําไปเรื่องเนี่ยตัวทิฏฐิตัวทิฏฐิความเหยียดมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ชั่วอันนี้ดี น, นี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ยอมเป็นไหมเอ็นเขาเขา้าไม่เข้าแถวยอมยมังโกรธเขเลยในจิตเอี่ยไม่เป็นระเบียบปฏิบัติทํายังไงไม่เป็นระเบียบทานข้าวเสียงดังเนี่ยทำวใชนะ้หลมน่ะ <laughs> พูดถึงว่าพูดถึงว่า ความเห็นไงมันจะไปวิภาควิจาร์เต็มไปหมดเลยมันเหมือนมีอัดมีทมอยู่ในนั้นแต่มองดูครูบาาจารย์โอ้ตรงนี้ก็ไม่สัมรวมไม่เข้าท่าปฏิบัติธรรมมาทั้งนานผมผ้า ย, ยังไม่สวยเลยสู้เราไม่น่าเนบเล้อยจะหยิบจะแย่งช้อนแต่ละทียังกัดเทวดาลงมาประทับทำอะไรแงมไปหมดเลยตัวนี่งามหมดแต่สูงไม่ได้เรื่องส ก, กัน โยโคงโยโค้าท่านี้ไม่ผ่านเนี่ยมันต้องท่ายอย่างนี้ท่ายอย่างนั้นยอมเป็นไหมเป็นอาตอมาเคยเป็นไงนั่งดูเขหมดหลวความเห็นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นปัญญาแต่ปัญญาที่เราเห็นเนี่ยเป็นปัญญาที่ถูกปรุงผ่านกรร ม, มวิธีที่ดูเหมือนละเอียดเหมือนใช่แต่ยังไม่โอเคนะอันนี้คืออย่างที่สอง ต้องระวังอย่างที่สามก็คือตัวมานะตัวอัตตาตัวตนโนะยมสังเกตุไหมเวลาเราปฏิบัติทําไปฝนะีมันจะเริ่มขึ้นที่จั๊กกะแล่เราเดินไปมันจะเดินไปอย่างเงี้ยฝีขึ้นจั๊กกแล่โยมเป็นไหเออหลังมันเหมือนกับมีไม้มาดามหลังนะหลังมันจะแข้งเดินไปยังก็ประกวด นางแบบชายงามชัดหญิงไม่มองใครคือพอเราปฏิบัติทมไปปฏิบัติทมไปเนะี่ยพอเราเกิดผ่านอารมณ์อ่างต่างที่มันหยาบหยาผ่านอะไรอยางต่างที่เรารู้สึกว่าเราข้ามไม่ได้แล้วเราเกิดได้สภาวะขึ้นมาเราจะเกิดภาวะของการวิพากษ์วิจารธรรมเหมือนเป็นความเข้าใจแล้วลึกๆมันจะมีภาวะหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราคือ การถือเนื้อถือตัวมานะถือเนื้อถือตัวเข้าข้างตัวเองเยกมือสร้างจังหวะโอ้ดีกว่าหลับตาหลับตาไม่ได้เรื่องเลยมีต่หลับกับหลับอไปเดินอะไรย่องย่งแย่งแย่ ง, ยงปวดแข้งปวดขาเอามาพึกอามาพาดรับประทานนั่งทับขานานมานอะ แต่กอนอาตมานั่งฟังอาตมาก็ไม่เข้าใจนะอ่าทาไมเราถึงทะเลาะกันวิธีนี้กว่าวิธีนั้นวิธีนั้นดีกว่าวิธี น, ธนี้แต่ก่อเราก็เป็นฟังเทศนานฟังเทศเยอะโอ้ยกมือดีกว่าหลับตายหลับตามไม่ดีสมมตินะบางท่านที่แบบกําลังอินใหม่ๆอินจากขึ้นเวทียังกะจะพาเข้าสนามลบเราเป็น น, น้อยน้ยเราก็หมั่นเลยนะอืาะ แมนแล้วเมนแล้วไอ้ดิสาแม่นแล้วใช่เลยอู้อัอยอลยเราฟังด้วเราก็อินด้วยไงไปเห็นคนนั่งหลับตาโอ้ยเงานอนพวกนี้เงานอนคุณบาจันบอกว่าเงานอนเนี่ยไ่ได้สภาพว่าสภาพอะไรทั้งหรอกไม่แต่รับกับหลับเราคิดเราก็ตามไปนะแต่พอเราทําไปทําไปเนี่ยภูมิปัญญาความเข้าใจเนี่ยมันผ่า มันเกิดการแยกแยะแต่ว่าโอ้ทำไมท่านพูดอย่างงั้นท่านไม่ได้พูดว่ากันนะแต่ท่านพูดถึงวิธีการในการก้าวข้ามสภาวะเนี่ยเมื่อคุณเคลื่อนไหวอายตนะทุกอย่างเปิดแต่จิตของคุณมีความ อ, อ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมเนี่ยคุณจะก้าวข้ามอารมณ์ต่างได้ง่ายอย่างโยมเปิดตาแต่ยัยงไม่โยมไม่หลับถึงหลับก็หลับแบบ ตาปืเงี้ยแต่ถ้ายอมหลับเมื่ อ, อไหร่เนี่ยคอยอมจะพับทันทีเลยยอมจะเฝ้าพระินโดยไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเราเข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่ท่านตำหนิเขานะแต่ท่านบอกว่าวิธีการวิธีก้าวข้ามอารมณ์เนี่ยถ้ากำลังของสติของคุณไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งเนี่ยคุณจะก้าวข้ามด้วยอยียาบท อาการวิธีการเหล่านั้นไม่ได้เลยจริงอัตมาสมัยเรียนมหาจุลานะก็จะมีวันหนึ่งเรียกว่าวันปวารณาอธิษฐานจิตให้นั่งปฏิบัติทาให้ยาวนานที่สุดบางรูปได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่งกระโทนอยู่ข้างๆไปเรียนมหาจุลานะเป็นวิญตรีนั่งอยู่ปดเชียกความฟอดยัดเขาเนี่ยห้ามลุก เอาอย่ในนั้นแหะเปียกทั้งมันเอ้าอย่าง น, นี้นละ่ะบางถ้าไม่มีก็กระโถนกระทถนเล็กๆเนี่ยยัดเข้าในนี้แล้วก็เาไปจะบงคอบแล้วก็ฉีดใส่ในกระโถนน่ละเปียกแล้วเธอเปือยเปื้อนม่นบอกเอา้าไม่เป็นไรเพื่อทำเพื่อทำเลยจะได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอต่ตมาทําได้สิบเอ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมง ไม่ได้ฉี่ไม่ได้เลือกผ้านะนั่งตั้งใจทำทํามันมีปรากฏการเกิดขึ้นนั่งไปนั่งไปมันลึกเข้าลึกเข้าเราเห็นตัวเองอเห็นกระดูกเห็นตัวเองเป็นกระโดดกระดูกระดูกระดูกเห็นเห็นนั่งนั่งดูดูไปดูดูไปกระโดดมันค่อยค่อยขวัญขวัญขพลงกองนูกเห็น จจตัวอโอ้ยอัศจรรย์ใจดีโอหยักหลายคักหลายนั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมามันเกิดดินน้ำไฟลมมันทำงานเย็นจัดร้อนจัดเหมือนมีควน้ําแข็งในทั่วนะ่ะเออร้อนมันไฟมันเผาน่ะมันเกิดแล้วในขณะที่เราทำเรากำลังสนุกกับการดู ปรากฏการของสภาวะอารมณ์นะมันมีประโยคหนึ่งแว บ, บขึ้นมาดูซิมันจริงไหมนะดูซิเอะมันใช่ความเป็นจริงของการทำงานผ่านกายเวทนาจิตทมไหมมันตั้งอยู่บนสติปัฏฐานไหมมันบอกมันมีตัว น, นึ่งแว บ, บขึ้นมาบอกแต่มาชั่วโมงที่สิบเ็ดแต่ตมาก็เลย พอ่อนลมหายใจออกกลับมาอยู่กับความรู้สึกแล้วออกจากมันเราคิดว่าเราบรรลุธรรมนะเออพอลืมตาขึ้นก็แนงปวดขาอยู่เหมือนเดิมแต่ล้พอเรามาศึกษาเทียบเขียนคำสอนหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวปวดขาก็ให้กำห น, นดรู้ ปิกก็ให้กำหนดลูกปวดซ้ายก็ปิกขวากวดขวาก็ปิกซ้ายนั่ ง, น, งนั่งก็ยืนยืนนั่งก็นั่งแต่ให้รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องผ่อนคลายทำจริงจรงจังจงัแต่เหมือนทำเล่นเล่นทำเล่นเล่นแต่เอาจริงมาบอกบางทีเหมือนขัดแยง้งแต่พอเราทำไปทำไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านมีปรัชญาที่ลุ่มลึกสูงมากจนเรามีความรู้สึกว่าท่าน คิงไงพอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยตัวตัณหาตัวทิฏฐิตัวมานะเนี่ยความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อันนี้กลับมาที่ที่หลวงพ่อเทศน์ว่าให้รู้สึกตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เป็นภาพ เมื่อความรู้สึกตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เราเราจะไปล่ามช้างเราจะไปมัดไปเรียต่อมันไม่ลุดเราก็บอกว่าทำไมท่านเปรียบเทียบว่าความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่คือลูกโซ่นคนส่วนมากเวลาภาวนาเวลาปฏิบัติธรรมความรู้สึกตัวมันจะเป็นกะปิกะปอยหย่อมๆเป็นข้อๆไปใช่ไหมเป็นข้อๆยกอีนึงรู้สึกตัวข้อหนึ่ง โซ่ข้อหนึ่งปรากดขึ้นอ้าวยกครั้งที่สองหายอีกแล้วเป็นพักโฆษณาเรืออันนี้รู้สึกตัวช่วงนึงตาความคิดไปอีกแล้วเดี๋ยึงกลับมาได้ข้อหนึ่งแต่พอเรากำหนดความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่มันต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่จต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อ่ การรู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในภาวะของสัจจะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอย่างไหตัวหลักไตรั ก, รกที่ปรากฏขึ้นในจิตจะชัดแล้วกระบวนการการทำงานของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันจะปรากฏชัดขึ้นแล้วมันจะถึงจุดๆถึงที่มันเป็นภาวะของอนัตตาที่มันว่าไม่มีอะไรความว่างมีอยู่สงลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งก็คือในขณะที่ความรู้สึกตัวยังเข้มข้นอยู่ความว่างจากอารมณ์คือหมายความว่าอารมณ์ยังมีแต่ไม่ทุกข์กับมันมันว่างได้ทุกอย่างมีหมดนะทุกอย่างหมดตาหตูจมูกลิ้นกายจิตยังทำงา น, นกลไกปกติแต่ในสภาวะของความว่างที่เป็นสุญญตาที่เป็นอนัตตาเนะี่ย มันจะว่างเฉยๆธรรมดามองทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาความว่างอย่างที่สองก็คืออารมณ์เหล่านั้นไม่ปรากฏแต่เป็นความว่างที่เกิดจากความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องแล้วความรู้สึกตั ว, ตวที่ต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่เป็นลำห้วยเป็นลำครองแต่กลายเป็นมาหาสมุทรโยมเคยดูทะเลมาหาสมุทรเนาะมองไปไม่อะไร สุดลูกหูลูกตาไปหมดแต่มันก็ยังมีฝาหม่นะแต่น้ําในมาสมุัตมันก็ยังมีดินมีแรงต่างรองรับอยู่หมายความว่าภาวะของความว่างเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเยอะมากจนกระทั่งว่ามันท่วมทับสบภาวะอียงต่างที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราเป็นผู้อยู่เหนือหลวงปูช่ช า, ายท่านอธิบายภาวะนี้เหมือนกับว่า แต่ก่อนน่ะคนเจริญสติใหม่ๆจะเป็นลักษณะเหมือนกับคนไปยืนอยู่กลางถนนแล้วเวลารถวิ่งมาจะคอยหลบคอยหลบรถคอยหลบรถรถไม่ชนแต่พอทำไปทำมาจะจะออกจากถนนขึ้นไปอยู่บนบ้านแล้วนั่งมองรถวิ่งผ่านสบายๆรถไม่ชนรู้ด้วยว่า รถนั้นสีนอะไรยี่ห้ออะไรไปไหนรู้ด้วยภาวะของความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องคมชัดเจนมีพลังจะกลายเป็นปรมณโนทางปัญญาเล็กๆระเบิดปรมาูเล็กๆนะแต่มันตูมเดียวนพะัทงทั้งบ้านทั้งเมืองปรมณูนทางสติปัญญาก็าเหมือนกัน มันจะโติมขึ้นไปนแล้วมันจะไปสลายภาวะเหล่านั้นให้เคลี้ยงไปให้เคลี้ยงไปบางคนเคลี้ยงเลยบางคนเหลือแต่ากอยู่ากอยู่แต่มันก็จะถอนได้ง่ายขึ้นทีนี้พอโยมจเจริญสติความรู้สึกตัวต่อเนื่องไปมากๆปุ๊บโยมจะเข้าใจสิ่งที่องค์หลวงพ่อเทียนองค์หลวงพ่อมาเนี่ท่านสอน หลวงพ่อองหลวงพ่อมาดิเรกเนี่ยอาตมาจะรับรู้มิติชีวิตของท่านในช่วงที่ท่านอยู่ในฝ่ายประเทศไทยที่ฝึกครูบาจารย์ของอาตมาเนี่ยอยู่ด้วยแล้วรับรู้มิติหลังจากท่านไปอยู่ต่างประเทศมาด้วยลักษณะวิธีการการสื่อสารรูปแบบต่างๆหลวงพ่อจะเปลี่ยนแต่ก่อนไม่มีนะโยค่าเนี่ยไม่มี โยคะเนี่ยเป็นเนนเป็นเนนอยู่กับท่านหลวงตาคาสินหลวงตาบุญเหลิรหลวงตาสักดานะหลวงตาเกเรไม่มีตือนตีสองตีสามลุยอย่างเดียวเลยเตือนจงกคมทั้งง่วงทั้งเดินลุยอุตรดแต่พอเราทําทําไปปุ๊บเราเห็นหลวงพ่อกลับมามีโยคงโยคะยี 21, ่สิบเอ็ดท่าง่งยิงง่งยิ่งข่านเอาดูในวีดีโอใช่ไหม มาสลัดเก่งสลัดคขาอเออหลวงพ่อนก็นเบิกบานมากเลยเบิกบานมากพี่โยคะหลวงพ่อหกสิบกว่าหลวงพ่อยังกะหนุ่มอัตมาสี่สิบกว่ายังกับคนฉลาภาพเดี๋ยวภูมิแพ้เดี๋ยวเอกระดูกเสื่อมป่วยทีเป็นเดือนเอดีหน่อยไปเข้าคลอดล้างที่มันดีหน่อยแต่ภูมิแพ้มาตลอด กาตัตมาเลยเข้าใจว่าโอ้พระบาทจารย์เนี่ยท่านท่านรักษาทั้งทั้งกายทั้งจิตรักษาทั้งโลกรักษาทั้งธรรมเราจะเกิดความเข้าใจภาวะที่เราเรียนจากหลวงพ่าเทีย ม, มว่าแมวจะโตเชือกจะขาดยมเข้าใจไหมแมวจะโตเชือกจะขาดแต่ก่อนเราไม่เข้าใจเราทราําลอง แต่เราชอบนะโลกโก้โมนิทิหลวงพ่อเทียนนะที่เป็นเชือกขาดนะเรามันนั่งตะา ม, มาทำวิจัยเรื่องหลวงพ่อเทียนนั่งมอไซค์ไปวัดสนามในไปหาของานวิจัยคนโน้นคนนี้ไปหาดรตวีวัติเมย์ดนไปท้ามใครเกี่ยวหลวงพ่อเทียนตะ ม, มาไปทามหมดเลยตะมาเขาก็มานั่งนั่งนั่งนูทำวิจัยเขียนแต่เราทําด้วยนะ ถ้าเราทําเราจะเข้าใจแต่ถ้าเราคิดเราจะไม่เข้าใจวิธีการความรู้สึกตัวแบบเคลื่อนไหวคุณต้องทําคุณนั่งปราการนั่งทบทวนความคิดเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เพราะมันจะไม่เกิดแทนทะลุโดยธรรมชาติแต่พอเรารู้สึกตัวต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อองไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดคุณ สติลงไปเนี่ยเวลาตะมานอนเนี่ยนาตะมาก็นอนดูนะนอนดูนะนอนดูลมหายใจแล้วดูความคิดมันทํางานแข่งกันด right. ูดูแล้มันคิดบางทีมันไปถึงฝันเลยอ่ะฝันเลยกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟครูบอาจารย์สอเราใช่ไหมกลางคืนเป็นควันอารมปรากฏผ่านความฝันในเวลากลางคืนความคิดเนี่ย พอความคิดของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนะที่ปกติมันถูกปิดในเวลาเรานอนแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกปิดคือจิตของเรามันยังทำงานอยู่แต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดในเวลากลางคื น, คนปรากฏผ่านการฝันยอมเป็นไหมปรากฏ ผ่านความฝันความฝันคือความคิดความคิดคือความฝันแล้วโยมจะวิ่งอยู่เข้าไปในมัดเรื่อยๆเป็นฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างฝันถูกหงูกหงิดถูกเปอร์บ้างถูกเค้ากินไปหมดในฝันแต่คนที่จะเรีย์จะกลายเป็นฝันดีฝันเห็นแต่พระพุทธเจ้าฝันเห็นเถอะธรรมะแต่พอตื่นอารมณ์ปรากฏผ่านตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันทํางานเต็มไปหมดเลย แต่พอเรากำหนดรู้ลึกๆเข้าลึกๆเข้าความรู้สึกตัวจะเหมือนกับการเดินลงทะเลภาวะของความรู้สึกตัวรู้สึกดีรู้สึกปกติสงบเยือกเย็นจะเหมือนกับเราเดินลงทะเลทะเลเนี่ยมันจะไม่เหมือนห้วยเหมือนคลองห้วยหนอะงคลองบึงมันจะมีหลุมมีบ่อมีเรื่งต่างเดินต้องระวังแต่มันเย็นอยู่นะ แต่ทะเลเนี่ยจะเป็นชายหาดไล่ไปไปเรื่อยแต่เราเดินเนี่ยเราก็จะเหยียบลงไปเรื่อยลุ่มลึกลงไปเรื่อยแล้วในใต้ท้องทะเลเนี่ยมันมันจะมีปรากฏการเรี้ยอะไรต่างเอ๊ะท้องทะเลไปหมดใช่ไหมมีปะ ก, การังมีหอยมีพูมีป้มีอรต่างไม่หมดจิตที่รู้สึกตัวที่ลุ่มลึกละเอียดหนักแน่นมั่นคงเฉียบแหลมจกแทงทลุ สภาวะต่างๆที่เป็นความปรุงแต่งนึกคิดแล้วจะเกิดปัญญาเกิดการรู้แจ้งเกิดปัญญาการรู้แจ้ ง, ญญาา แ, งแล้วจะเห็นต่างๆเหมือนที่อยู่เหมือนสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้ทะเลใต้มาสมุทรคือปัญญามันเกิดมันจะเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อเทียนบอกว่าแมวจะโตเชือกจะขาดแมวเนี่ยไม่ไม่แพ้หนู หนูตัวใหญ่มันกินเก่งไปขโมยกินนู่นนั่นนี่เก่งแต่แมวผมพบไล่ตะคุบยังไงไม่ได้บางทีแมวร้องที่ไอหนูร้องทีเดียวแมวผอมกลัวตกใจวิ่งหนีแต่ก่อนเราก็ฟังไอหลวงพ่อทำไมพูดอย่างนี้แต่พอเราจเจริญสติไปปุ๊บเนี่ยภาพแมวที่โตที่ถูกคนเนี่ย เมวมียวเมี้ยเีนี่ยเรียกมากินข้าวทุกวันเนี่ยเมีมียวเมีวเมวเอาประตูให้กินเอาข้าวให้กินเอาประตูประสมข้าวให้กินให้กินเนี่ยแมวมันก็กินออกก้างแถมให้คือหมายก็ว่าความรู้สึกตัวที่เราเจริญสติเรามีวิธีการมีกลยุทธ์มีแรงต่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปุ๊บแมวโตแมวโตก็คือความรู้สึกตัวภูมิปัญญาในการทําความรับ รู้ดูเห็นมันจะโตขึ้นโตขึ้นแล้วเราจะไม่เป็นกับมันคิดเอาคิดมาจะไม่เป็นกับมันคิดตับคิดตับแล้วกิเลสกับปัญญาจะแยกกันแล้วอารมณ์กับจิตก็จะแยกกันเหมือนแต่ก่อนสมัยที่เรายังไม่รู้สึกตัวเนี่ยจิตเหมือนผนัง <c oughs> จิตเหมือนผนัง แต่อารมณ์ความรู้สึกนั้คิดจะเหมือนกับน้ำสีที่เราสาดเข้าไปสาดเข้าไปทุกครั้งติดทุกครั้งใช่ไหมสาดเข้าไปติดสาดเข้าไปติดแต่พอเราจเจริญสรู้สึกตัวไปมากๆเขาปุ๊บตัวจิตก็ยังเป็นผนังผนงิแต่ตัวน้ำสีจะเปลรูปกลายเป็นลูกปิงปองไปลูกเทนนิสไปโยนเข้าไป เด้งออกโยนเข้าไปเด้งออกเป็นอย่างนั้นไหมเออเป็นอย่างนั้นโยนเข้าไปเด้งออกโยนเข้าไปออทําไปทํามาที่เกียร์โยนใส่ที่เกียร์โยนใ ส, เนใส่เลิกโยนเลยผนังก็ไม่ต้องถกกระทบแค่รู้ว่าลูกปิงปองลูกเทนนิสวางอยู่ตรงนั้นละ่ะตาหูจมูริ้นกายจิตยังทํางานร่วมกันไปแยกกันอยากเป็นไหม ฉะนั้นถึงจุดจุดถึงพอแมวโตแมวไม่ต้องไล่หนูก็ะด้เพราะหนูจะเริ่มกลัวแมวแมวจะโตเชือกจะขาดแมวจะไม่กลัวหนูเชือกจะขาดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปนามกายจิตรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอุปาทานในขันธ์ทั้งหนะ้าเนี่ยมันจะ ขาดออกมันจะขาดออกพอขาดออกแล้วเราจะไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เข้ามากระทบที่จิตเราก็ไม่มีปัญหาอ้าวมีสามีภรรยามีไปแต่มีแบบเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายมีงานทำหาตังหาไปหาแต่เยอะมาทำบุญประทาตตั้งมุนิธิ ปัญญาในการก่อตัวขึ้นจะกลายเป็นปัญญาที่เกิดประโยชน์จะกลายเป็นปัญญาที่วิ่งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามรอยบาทพระองค์เหมือนดังที่พระองค์สอนในวันที่สงพระไปประกาศพระาศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปเส้นทางหนึ่งให้ไปรูปเดียวนะความผ้าน้อยไงแล้วต้องประกาศเป็นคำสั่งว่า พระโชนะอิตายะพระมหชนะสุขายะโลกาอนุกรรมปายะยงการได้ยินไหมพระมหชนะอิตายะก็คือจงมีชีวิตเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากจงใช้ชีวิตเนี่ยให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากสองจงสร้างสุขให้เกิดแก่คนหมู่มากสาจงอนุเคราะห์สงเคราะห์โลกแต่ก่อนตัมมาเขาไม่เข้าใจนะ ไปอยู่กับองหลวงตาสุริยานะวัดป่าสมนัติไปอยู่กับลูกตาบเบลือเนะี่มีอยู่สองรูปต้องเป็นรูปเดียรูปหนึ่งทำงานตลอดตื่นทีสามทีสี่ตมาลุกมาได้ยินเสียงดังตุ๊บ ต, กตุกุที่วัดนะวัดป่าสมนัตตอ น, น, นไม่มีอะไรมีแต่โขดหินมีแต่หญ้าคามีแต่มันสับปหลังที่ชาวบ้านปลูกกับความ อ้างวางลงตาบนเหลือลงตาสุยาเสียงดังตึ๊กๆๆเราเป็นเนรเราตื่นเราคงได้เครตีตื่ น, น, นสายได้ก ว, าว่าเจ้าว่าเราไม่ตื่นเราตื่นขึ้นมาเสียงดังตุ๊กผีหลอกหรือเปล่าวะเราก็ค่อยๆลงไปนะกตติแมมีบุญนะตอนนั้นวัดป่าสมมติีกุธีหลังหนึ่งกัตตามาได้รับเชิญให้อยู่หลังนั้น โดยครบาอาจารย์ไปโยนลกมหมายแทนแล้วก็ตื่นขึ้นมาดังตึ๊บต๊บเราเห็นหลวงตาบุญเหลือหลวงตาเรียไอ้จอบคนลานคขุดดินอยู่ฟุ๊บฟุ๊บุ๊บอยู่โยมว่าอาตมาเปเนี่ยอาตมาจะไปไหม <laughs> อาตมาก็นอนต่อนะ ในตอนต่อเลยต้องเป็นวงเนาะปีสามีสี่ใครจะมาลูกคุ ด, ดินแต่เราเห็นพอเราโตขึ้นเราเห็นถึงความการุณาเราเข้าใจคำสอนวิชาว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยต้องมีคุณสมบัติสามปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณพอโยมีธรรมปุ๊บเนะี่ยโยมจะหนึ่งโยมบริสุทธิ์โยมไม่ทุกข์คนไม่ทุกข์ สบายก็ะดิคขาอยู่ก็ได้จะยกมือก็ได้จะย่างก็ได้ออจะอยู่ยังไงก็ได้ชีวิตมันเบิกบานสบายรู้เตือนเบิกบานสบายยยมไม่ทูกหละกยมบริสุทธิ์คุณคือความบริสุทธิ์ในจิตของโยมปรากฏ 2. ปัญญาการมองโลกการมองธรรมการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตปกติไม่ขึ้นขึ้นลงลง ปัญญาในการวินิจฉัยตรวจสอบชัดกลับไปบ้านเอ็นสามีดดบุรีไม่โครแ่ช่วยเขาหามาให้เลยเอาคนยี่ห้อไหนเหมือนประชดนี่แหละเหมือนสอนเราจะมีปัญญาในการเกี่ยวข้องกับคนดีมากเป็นการเกี่ยวข้องบนฐานที่สามคือมาหากรุณาที่คนย่มจะเมตตาสงสารเขา พออาตมาตัวขึ้นเนี่ยอาตมาเป็นลูกเศิษ ท, ที่ไม่ค่อยได้อยู่กับครูบาอาจารย์แต่เป็นลูกเศิษ ท, ที่ไปศึกษาซสริมซับกับครูบาอาจารย์แล้วนาไปทำอาตมาไม่ใช่แบบไปนั่งข้างเตกระโตนให้ทุกวันตีละคลางปุกทุกวันจะไปศึกษากับท่านอย่างปิดเทิมก็มาอยู่กับหลวงตากะสินหลวงตามุลเหลืออ่อ ลงตาสัตย์ดาที่แป่แสงเทียนลงตาเกตเข้าค่ายไปด้วยกันลงตาเกรตเกร้อยเอ็ดถงเรงาไปไปไปศึกษาแล้วเก็บแล้วไปประพฤติปฏิบัติแล้วบอกตัวเองแบบคุณเป็นลูกเศรษฐประเภทไหนจะเป็นลูกเศรษฐที่สร้างชื่อให้โครหรือทำโครให้ตกต่ำไปในเราไม่อายนะประกาศตายตมาไปเรียนกรรมฐานกับ วิธีปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวไปเรียนกับหลวงพ่อมหาดิเลกหลวงตาชวยยาหลวงตาคาสินหลวงตาบุญเหลือหลวงตาบุญเหลือเนี่ยเขาบอกว่าท่านเหมือนพระโพธิธรรมตักหมอแบบเป็นแีบนี้ตักหมอมาตักหม้อมาอ่าหลวงพ่อลหลวงน่ะงแม่ตาเหมือนสุธิชัยยุื่นนะ ตายตอบกันไปแต่ตมันก็เป็นเนรสบาสยบาดสบายพอเราโตขึ้นเรามีภาพพระสารีบุตรกับพระอาศาัศจิเราเข้าใจว่าความหมายของคําว่าพระสารีบุตรเมื่อรู้ว่าพระอาศาัศจิมาอยู่ทิศใดแห่งหนใดพระสารีบุตรจะหันตัวไปแล้วก็กราบลงทางทิศนั้นแล้วก็นอน เราเขาเ้าใจภาวะนั้นหมายความว่าเมื่อใดก็ต า, ามที่เราเป็นศิษย์ศิษย์นั้นต้องเคารพครูให้เกียรติครูเป็ดที่ไม่รังครูเป็นศิษย์ที่ไม่มีวิตกวิจารณต่อความเป็นครูเดี๋ยวนี้ความเป็นศิษย์เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยน่ารักกันเราวิจารเราอันนั้นถูกอันนี้ผิดทําไมท่านอย่างว่าอย่างงี้แต่พอเรามีทําในใจปุ๊บ ก็จะยกไว้ยกไว้เคารพให้เกียรติแต่สิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไประทับใจเราก็จะไม่ไปทำเหมืนท่านใส่เสื้อยาวเนะี่ยใส่เสื้อยาวเนะี่ยท่านป่วยเราเข้าใจแต่เราไม่ป่วยเราเพิไม่ใส่กับท่านปุมปัญญาเกิดเออคื อ, อ ความเคารพควอนน้อมทํามให้เกิดจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นั้นยอดโยมทั้งหลายในวันนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมบูชาวงหลวงพ่อมาหาเรานะเรามีบุญนักแส่ที่ได้เกิดมาเป็นลูกเศิษฐท่านร่วมสมัยกับครูบาอาจารย์เหล่านั้นเป็นบุญของเราแต่เราต้องกลับมาถามใจว่าเมื่อเรามีบุญได้ศึกษาคาสอน ของครูบาอาจารย์ที่ท่านพาเรามาถูกทางไม่หลงทางแล้วคุณเป็นลูกศิษย์แบบไหนเป็นลูกศิษย์แบบชิงชาบทั่วไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทกินตลอดหรือเป็นลูกศิษย์ที่ฝึกฝนตนเองแข็งแรงแล้วทำงานเพระศาสนาเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์วันที่หลวงพ่อเสียเนี่ยคนโทรศัพท์ พันธ์ม้าพาจ้าเอ็นกรโดมมานะลงพ่อเสียแล้วลุงพ่อมาหาติเล็กเสียแล้วเราดูใจใจปุ๊บอะรอย่าเี้ยเราไม่ได้เสียใจนะแต่เรารู้สึกเสียใจโอ้ยตายแล้วครบาจารย์จะไม่ได้เป็นล่มโพล่มใส่ใจให้เราแล้ว แต่ในใจหนึ่งลึกๆมันแวบขึ้นมาว่าอ้าวแล้วเราอ่ะจะทํายังไงต่อแล้วเนี่ยโคบาจชันก็ทยอยไปทีละคนสองคนเราจะมาหลบอยู่ในถ้านี้หรือไอ้มันบอกว่าออกจากถ้ำซะออกจากที่หลบมุมของตัวเองซะอาตมาในพวกศิลปินพวกพระศิลปินไม่เข้าพวกไปนะอี้ตมาชอบไปรูปเดียวแบกขวดแบกบาต แบกคอมพิวเตอร์เขียนหนังสือตามภูเขาเหลากาตามมุมนูน้นมุมนี้แต่ถ้าอาตมาเข้าห้องเราผิดแอบออกเฉพาะตอนกินข้าวเขา้เขาชีนอนนั้นเก็บตัวเขียนหนังสือเก็บตัวภาวนาหมดแต่พอวันที่หลวงพ่อท่านเสียใจรู้ลึกบอกว่าออกจากห้องได้แล้วออกไปทําหน้าที่แทนครูบาอาจารย์ได้แล้วจิดมันบอกอย่างนั้นแต่นี้ก็ไปรับ ขอภาวนาโน่นนี่พอสมควรก่อนหน้านั้นเช่นั้นฝากแย่โยมทุกท่านทุกคนว่าในความเข้าใจของอาตมาความเชื่อของอาต ม, มามกรคผลนิพพานมีอยู่จริงนะมีอยู่จริงไม่ล้าสมัยใหม่เสมอคนมีสติเป็นคนล้ําสมัยไม่ใช่ทันสมัยนะล้ําสมัยไปมากกว่าเขาแต่คนมีสปิต สติกระปิดกระปอยก็แบบประมาณแบบไปนำเหน่โยมรู้จักว่าไปนําแนยไหมไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยแต่ไม่นำจาจ้นั้นฝากแกโยมทุกท่านทุกคนว่าวันนี้เรามาครั้งนี้เรามาช่วงโอกาสชีวิตนี้เรามีโอกาสได้ศึกษาคำสอนของครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติทำของครบาอาจารย์โยมชัดเจนหรื อ, อยัง สรุปที่อาตมาพูดมาทั้งหมดอาตมาจะให้ฝังว่าเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมไมได้ผลภาวนาใช้ชีวิตให่ได้ผลนึงภาวะของความเป็นกัลยาณมิตรต้องแสวงหากัลยาณมิตรภายนอกสิ่งที่เป็นสัพพายะให้ชีวิตขบอาจารธรรมะความอำนวยความสะดวกพื้นที่ สแสวงหเพื่อเพื่อต่อการภาวนากาลยังมิทางธรรมก็คือน้อมทำทุกอย่างให้เป็นโอปนณฑิโกธรรมเสมอแล้วความเป็นมิตรในจิตวิญญาณของเราจะปรากฏสองการหมั่นตรวจสอบใส่ใจรายละเอียดที่มากเข้ามากเข้าให้ลุ่มลึกลงไปให้ชัดเจนลงไปยุมก็ต้องเก็บรายละเอียดให้ดีโดยผ่าน เฝ้าดูเรามั่ระวังสามสิ่งคือหนึความอยากของตัวเองความปรารถนาที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากบรนลุอยากหมดทุกอยากดับทุกเหล่านั้นก็ต้องเฝ้าสังเกตให้ความปรารถนาเหล่านั้นไม่เครือแฝงจนกระทั่งว่าเราไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นปกติของความรู้สึกตัวที่ซื่อๆตรงๆแล้วต้องเฝ้าระวังความเห็น ไม่เป็นสมาธิติไม่ให้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วสุดท้ายก็เคอต้องเฝ้าระวงังความถือเนื้อถือตัวถือตนความเข้าข้างความคิดเอาว่าเราเข้าใจเรารู้เพื่อที่จะสลายสิ่งเหล่านี้เพื่อเรามีสามสิ่งความบริสุทธิ์ปัญญาความเมตตาแล้วเราจะกลายเป็นเสรษที่น่ารักเป็นเริรษฐีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน คบาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมกราบท่านเลยอย่าไปดูภาพเก่าภาพใหม่อย่าไปดูว่าอังสาสวยไม่สวยสักไม่สักรองเท้าใส่ไม่ใส่โยมจงเอาศีรษะของตัวเองเอาใจของเองกราบโคบาจารย์ที่ท่านให้คนเสียสละให้ปัญญาแก่เราด้วยความนอบน้อมนั่นคือฐานะของลูกศิษย์ที่พวกเราเพึงมีพึงเป็นพึ่งทําก็ขอโน้มนา กราบขอพระคุณพระครูบาอาจารย์ที่บ่มเพาะดูแลตมาตั้งแต่เป็นสมณะ น, น้อยจนปัจจุบันที่ทำให้เราได้ศึกษาพระธรรมคำสัง่งสอนแล้วน้อมรับอรราราธนาใจเป็นที่พึ่งได้ด้วยความเสนจใจขอขอบคุณจาตโยมลูกเศรษฐลูกหาขององค์หลวงพ่อที่เราเห็นคุณค่าของธรรมะ เห็นคุณค่าของความเสียสละของหลวงพ่อเราขอให้สิ่งดีที่พวกเราทั้งหลายผมเงพ่อสร้างจงถักทอร้อยเรียงให้ทำปรากฏขึ้นในใจให้เกิดการรู้ตื่นเบิกบานรู้แจ้งแทงตลอดดันที่องหลวงพ่อเทียนองค์มหาครบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเราขอให้ทุกท่านจงพ้นทุกข์ในปัจจุบันอันใกล้ทุกท่านทุกคนเทอน Bye. <laughs>